ความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณธรรมน้นอมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาสถา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 ก็จำแนกจากเป็นผู้ป่วยในประเทศประมาณ1 4 0 0 0ส่ายรายแล้วก็มาจากต่างประเทศ77ลรายสะสมก็ตั้งแต่1มกราคมศกนี้เป็นต้นมาก็มีผู้ป่วยสะสม2ล้าน573รยายแล้วนะครับนะแล้วก็มีการติดเชื้อเข้าข่ายตรวจเอทอีก1 1ึ่งหราย นะครับสบนนัีเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวเลขที่ ย, ยังยังยังสูงนะครับนะยังสูงก็คงจะต้องอเฝ้าระวังกันพอสมควรนะครับนะพอวันเราจะเห็นว่าในหลายๆพื้นที่ในการระบาดนี่ก็ลงมาถึงระดับชุมชนแล้วก็มีการติดกันในครอบครัวนะครับน ะ, ะก็เ น, น้นโฮมไอโซเลชันเป็นหลักแล้วครับในช่วงนี้ก็จะเห็นว่าชาวบ้าน อ่าหมสมอนี่ก็ทำงานกันอย่างเข้มแข็งนะครับไปตรวจไปตาแล้วก็มีการติดตามจ่ายยาให้กับผู้ผู้เสียชีวิตหรือผู้ป่วยนะครับนะต่างๆนะครับนะก็ะหลายคนก็ก็ป่วยแล้วก็หายแล้วครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคงจะต้องระมัดระวังแต่ระมัดระวังก็ดีที่สุดก็คือการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็มีระยะห่างนะล้างมือกันบ่อยๆนะครับนะก็เป็นสูตรที่มีการพูดกัน นายอนุทินชาญวิรากูลร อ, องนายกลำตรีสาสุก็เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องว่าสถานการณ์โควิดหลังเทศกาลสงการก็ตอนนี้ทรงตัวนะอาจจะยังไม่มีการกลายพันุ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่ก็ผู้ติดเชื้อปลอดอักเสบนี่อาจจะไม่ไม่ไม่สูงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะกำลังดําเนินการไปสู่โรคประจําถิ่นซึ่งในส่วนของกระทรวงก็บอกว่า ตั้งแต่วันที่หนึ่ง ก, กรกฎาคมนี่แหละครับจะจะให้ในส่วนแต่ละจังหวัดนี่นะพัฒนามีการมีความพร้อมในการที่จ ะ, ะดำเนินการเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นนะซึ่งถ้าจังหวัดไหนมีความพร้อมก็จะให้ประกาศนะก็ประกาศกันไปนะครับไล่กันไปเพราะฉะนั้นี้ตรงนี้นี่คงจะต้องดูในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับและมาตรการ ผ่คลายก็จะไล่ไปตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราพฤษภาคมก็จะยกเลิกการตรวจ rt pcr ของผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยคือนักท่องเที่ยวนะแล้วก็จะยกเลิกมาตรการ test and go ก็จะเหลือแค่การตรวจ atk เท่านั้นเนะพราะฉะนั้นตรง น, นี้ก็จะต้องดูพยายามที่จะเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะมาฟื้นเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเนะพราะฉะนั้นตรงนี้นก็คง อาจจะต้องติดตามดูเกี่ยวกับเรื่องของของมาตรการของของรัฐแหะครับนายแพทย์โอภาสการกระวิงพงอธิบดีกรมควบคุมโรค ก, ก็บอกว่ากระทรวงวางเป้าหมายจะให้เข้าสู่โลกประจําถิ่นตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมก็ให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับนะก็ให้ประชาชนกลุ่ม608นี่ก็ไปฉีดวัคซี น, นเข้มกระต้นนะครับเพื่อที่จะ ทําให้มีสุขภาพดีนะครับก็กำลังวางแผนกันอยู่เพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี้คงคงดูแหะครับนะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนะมีมาตรการต่างๆกันขึ้นมาเพื่อที่จะพยายามที่จะให้เศรษฐกิจนี้กระตุ้นกันขึ้นมานะทองเทีย่ยวยอดนั้นยอดนองเที่ยวเพิ่มขึ้นก็จะทําให้เศรษฐกิจนี้ดีขึ้นนะครับนะเพราะว่าเราเจอเศรษฐกิจคิดของสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยก็ทําให้สินค้าแพงเงินเฟอ้อ จากการเปิดเผยของนายพรชัยธีระเวสผู้อุนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง mm. ก็บอกว่าตอนนี้ mm. กระทรวงการคลังนี้ปรับลดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีปีนี้แหละครับ2515น่ยนปรับลงมาเหลือแค่ 3.5% หาเปอร์เซ็นต์หรือ100ร้อยละ 3.5 มามีการคาดการ เพราะว่าตอนนี้นี่ก็ที่ต้องปรับลดกันขึ้นมานี่สาเหตุก็มาจากการเกิดสงครามยูเครนรัสเซียทําให้เศรษฐกิจของประเท ศ, เทศคู่ค้าสําคัญของไทยชะลอตัวนะครับโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสาภาพโยุโรป ซ, ซึ่งผลกระทบหนักนะครับเพราะว่าสาภาพโยุโรปนี่ก็พึ่งพาแก๊สและพลังงานจากรัสเซียละครับนะก็มีเรื่องทะเลาะ บ, บอกแวงกันอยู่ก็มีผลนะครับแล้วก็นอกจากนี้นี่ก็ยังมี ประเด็นอื่นอีกนะครับนอกจากสงครามยูเคนแล้วอย่างอันที่สองนี่นะครับก็บอกว่าความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะทั้งสายพันธุ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับอันที่สามนี่ก็คือความเสี่ยงของความผัน ผ, นผวนทั้งเศรษฐกิจการเงินของโลกอย่างเช่นการส่งสัญญาณปรับเพิ่มดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลาง ในหลายๆประเทศคือประเทศที่พัฒนาแล้วก็ทำให้การเคลื่อนย้ายการหมุนเวียนเงินอะไรต่างๆมีผลอันที่4นี่ปัญหาข้อจำกัดในเรื่องห่วงโซ่ประทานของการผลิตอย่างเช่นการขาดแคลนอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์เนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นเพราะว่ามันมีการขาดแคลนอุปกรณ์แล้วก็อันที่ห้านี่ตลาดแรงงานยังฟื้นตัวไม่เต็มที่นะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ การเลิกจ้างนะเรื่องแรงงานอะไรต่างๆกันอยู่เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจกเราก็จะชะลอตัวนะจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.5 นะครับนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้องต้องพยายามที่จะแก้ไขนะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับเดือนพฤษภาคมนะรัฐบาลจะประกาศลอยตัวดีเซลนะก็จะทำให้น้ำมันดีเซลสูงต้นทุนการขนส่งสูงราคาสินค้าก็ขยับสูงขึ้ น, นครับนะ เพราะว่าตรงนี้นี่ก็เป็นเป็นเป็นผลกระทบต่อมานะครับแล้วก็ราคาหมูราคาไก่ไข่ไก่แพงขึ้นนะก็จะกระทบะกับประชาชนทั่วไปก็คงจะต้องหาวิธีการมามาแก้ไขกันนะครับนะว่าเราจะเห็นว่ามีใ น, ลนหลายๆส่วนนะครับมามาม า, มาถกเถียงปัญหากันนะครับในส่วนของสื่อนี่ก็เรียกร้องให้รัฐมาดําเนินการแก้ไขนะครับเดี๋ยวเราจะมารับฟังเพลงมา การซักเพลงแล้วจะมาพูดมาคุยกันใหม่นะครับ พูดมาคุยกันต่อในช่วงนี้นี่มเีเกี่ยวกับเรื่องของอผู้สูงอายุนะครับนะในส่วนนี้ของรัฐบาลเนี่เตรียมที่จะแก้ไขพรบรผู้สูงอายุนะโดยาการเปิดเผยของนางสุจิตาพิทยานราเศรษฐอธิบดีกรมกิจาการผู้สูงอายนะุก็บอกว่าก็จะมีการแก้ไขพรบรผู้สูงอายุ นะ 2,146 เนี่ยมีการปรับปรุงการขึ้นใหม่เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุนะซึ่งบอกว่าก็อาจจะมีการเน้นเรื่อ ง, องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุกนะ็คือผู้ที่อายุเกิน60ขึ้นไปนะครับเรื่องคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของนะการออมนะครับคือพยายามให้ผู้สูงอายุนั้นได้ออมให้มากเพื่อที่จะเวลาเกษียนหรือว่าสูงอายุมากไปก็จะไม่กระทบมากนะจนะมีนะ รายได้พอเช้จ่ายมีการพัฒนาระบบอะกองทุนนะครับนะการส่งเสริมอาชีพนะให้ผู้สูงอายุได้ทำอาชีพที่เหมาะสมนะในช่วงวัยแล้วก็ที่สาคัญก็จะมีกลไกหน่วยงานของรัฐของท้องถิ่นเข้ามามาร่วมดูแลนะพัฒนาผู้สูงอายุทางเองกนชนด้วยนะครับในการคุ้มครองดูแลในระยะยาวโนะดวยเฉพาะท้องถิ่นนะครับแล้วนะก็จะให้ในส่วนของอบอตเทศบาล อบจมาดูแลนะครับมาส่งเสริมผู้สูงอายุมากขึ้นรวมทั้งองค์กรเอกชน NGO อะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องไปเอาโมเดลของประเทศที่เขาประสบความสำเร็จนะอย่างเช่นญี่ปุ่นที่จีนที่เกาหลีใต้ในหลายประเทศแถวสแกนดิเนเวียล่ะครับทว่าเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุนี่บางบางแห่งนี้ก็ยังทำงานได้อยู่นะในบางกิจการแล้วก็มี ม, มีสวัสดิการให้นะครับนะมีการสวัสดิการให้อพอเพียงนะครับเพราะว่าสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกตินะจริ ง, รงๆแล้วก็นะ่าเราจะเห็นนะครับว่าผู้กเกษียณต่างนี้ก็มีรายได้พอสมควรแล้วครับแล้วราชการก็ยังอาจจะใช้การท่องเที่ยวไปเราจะเห็นว่าผู้กเกษียณนี้ก็ท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับต้องส่งเสริมนะครับนะเพราะว่าเป็นการ เปลี่ยนสถานที่ทําให้มีการออกกำลังด้วยทําให้สุขภาพเนี่ยแข็งแรงนะการที่ผู้ทรงสูส้ได้ไปท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมแล้วนะครับในต่างประเทศนี่มีการส่งเสริมกันมีชมลมมีกลุ่มนะที่เขาสนใจร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวตามภูเขาทะเลนะครับนะรบนะหรือว่ามีนะ งานอนดิเรกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับพราะฉะตรงนี้นี่คงจะต้องไปศึกษาโมเดลขึ้นมาเพราะว่าสังคมไทยก็ จ, จะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับนะมีจํานวนผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูงขึ้ น, นต้องส่งเสริมแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยการการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะส่งเสริมกันมากล่ะครับในส่วนของของรัฐบาลให้แต่ละชุมชนกิจการ SME ในท้องถิ่นได้เข้าถึง แหล่งเงินกู้ต่างๆเนี่ยมาพัฒนาไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทก็ดีกันพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะเพราะว่าเป็นการกระจายรายได้ไปในในท้องถิ่นต่างๆนะเราก็จะเห็นผู้สูงอายุนี่ไปไปเที่ยวในสถานที่ไปทาบุญตามวัดวาอารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่ก็ส่งผลให้การท่องเที่ยวนี่ก็กระเตื้องได้เหมือนกันนะส่งเสริมใน ในหลายๆที่ในดีดีมากนะครับนะเพราะว่าเป็นการาให้มีการใช้จ่ายมีการหมุนเวียนกันเราจะเห็นในช่วงของอวิกฤตทังด้านาทั้งด้านไวรัสโควิด n i หรือก็ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจและต่างๆเนี่ยการส่งเส ร, ริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับนะถ้าว่าเราครั้งเราขาดรายได้จากนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเราก็มาเน้นาการท่องเที่ยวภายในประเทศเราจะเห็นนะครับแต่ว่า ในหลายๆส่วนมีการท่องเที่ยวตามทะเลบ้างถูเขาบ้างนะซึ่งมีการมาโพสตามสื่อโซเชียล น, นะอย่างเฟ e บุ๊ k อะไรต่างๆเนะพราะก็เป็นเป็นกิจกรรมที่ทดีนะครับนะที่ที่ช่วยส่งเสริมกันตรงนี้เราจะเห็นว่าถึงจริงๆแล้วการทำรัฐสวัสดิการนี่เป็นเป็นประเด็นหลักที่ทรัฐบาลนะจะต้องมีการคำนึงให้มากขึ้นนะครับนะแล้วก็คิดว่า ถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยในส่วนของพรรคการเมืองต่างๆนี่หลายๆพรรคนเตรียมเสนอแนวนโยบายี่ที่จะทำเป็นรัฐสวัสดิการกันขึ้นมาแล้วนะครับนะคือคือในต่างประเทศนี่นการเป็นรัฐสวัสดิการนี่ก็จะเก็บภาษีค่อนข้างที่จะสูงแต่วรัฐบาลเนี่ยก็จะมีเงินบนานานญะให้กับในส่วนของประชาชนในอัตราที่สูงเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าเราจะเห็นว่าในส่วนประชาชน ในประเทศยุโรปนะครับในในส่วนของยุโรปในประเทศส่วีเดนหรืวีเดนี่บางคนเราจะเห็นฝรั่งนะครับที่มามีแฟนคไทยนี่ก็มีบํานาญนี่บางคนเป็นเป็นหมื่นเป็นหลักแสนก็มีนะครับแต่เดือนมาให้เขาใช้จ่ายมีรายได้ได้นะแต่ในขณะที่เขาทํางานนี่ก็เสียภาษีในอัตราที่สูงอาจจะประมาณ 30- 4 0ิเนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องมีกาน วางระบบนะถ้าเป็นรัฐสวัสดิการได้ก็จะจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือดูแลกันก็จะจ ะ, จะดีนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูนะครับนะว่าจะจ ะ, จะวางมาตรการกันอย่างไรในช่วงนี้นี่เราจะเห็นนะครับนะว่าในส่วนของพรรคการเมืองมีการเริ่มมีการประชุมสมาชิกประชุมใหญ่กันนะเกือบทุกพรรคเลยพรรคใหญ่เริ่มขยับนะมีการประชุมเตรียมพร้อมเกี่ยวกับเรื่องก า, การเลือกตั้งซึ่งก็ กระแสก็ได้จะมีการเลือกตั้งในระยะอันใกล้ถ้าเราเห็นการเคลื่อนตัวของของพรรคการเมืองต่างๆแล้วก็จะเห็นนะครับแต่เริ่มมีการขยับมีการลงพื้นที่กันใ น, ในพื้นที่ต่างๆแล้วก็เริ่มมีนโยบายกันออกมาก็ต้องพิจารณาถ้าเป็นนโยบายที่จะฟื้ น, ฟ, นฟูเศรษฐกิจจะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการประชาชนนี่ก็น่าจะพิจารณาเขาคงจะต้องดูนะครับในหลายๆพรรคนี่ก็เริ่ม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 สีปีไม่มีคุณค่าวาสนาพี่ต่ำคิดถ้าคนช่วยปลอบใจนี่ชะไหนแผลใจลุกลางรักต้องติดลบเมื่อได้พบคนณงปวดใจเชาวคำ วันรักครำ